ยังได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำบุญละบาเพื่อเป็นปัจจัยที่จะพาให้ไปเกิดในสุคติคือพกที่ดีต่อไปเพราะมีความเชื่อในคำสอนของพระพทธเจ้าที่สอนเรื่องกฎแห่งกรรมว่าสัตว์ใด ทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นผลคือพบชาติที่สูงหรือต่ำที่สุขหรือทุกข์ขึ้นอยู่กับการกระทำของพวกเราในปัจจุบันคือการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจถ้าทำบุญ ใจก็จะเป็นสวรรค์ถ้าทำบาปใจก็จะเป็นนรกเป็นอาวายอันนี้จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามเมื่อทำไปแล้วก็จะต้องเกิดผลดังที่ดังที่ได้ทำเอาไว้เหมือนกับการปลูกต้นไม้จะเชื่อหรือไม่ว่าต้นไม้ต้นนี้จะออกผลชนิดนี้ถ้าปลูกต้นไม้ชนิดนี้ ก็จะต้องได้ผลชนิดนี้เช่นถ้าปลูกส้มก็ต้องได้ผลส้มไม่ได้ผลสับประรดหรือมะละกอเพราะมันไม่เป็นเหตุเป็นผลเหตุคืออะไรผลก็จะต้องตามมากรรมที่เราทําคือบุญหรือบาปก็มีผลต่างกันบุญจะทาให้จิตสงบเยน็นมีความสุข ทำให้เป็นสวรรค์บาปทำให้จิตใจรุ่มร้อนทำให้มีความทุกข์ทำให้เป็นนรกเป็นอบายมไม่ว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาท่งตัดสรุปเรื่องของกฎแห่งกรรมนี้หรือไม่ก็ตามกฎแห่งกรรมนี้ก็มีอยู่ตลอดเวลาจาบใดที่ยังมีสัตว์โลกทำบุญทำบาป ก, กันอยู่ รามนั้นก็ยังมีผลของบุญของบาปตามมาเสมอไม่ว่าจะเชื่อหรือไม่ก็ตามอย่างพวกเราที่มาเกิดเป็นมนุษย์กันนี้ก็เป็นผลของของบุญของบาปที่ทำมาในอดีตทำให้พวกเรามาเกิดมีฐานะที่แตกต่างกันมีสูงบ้างมีต่าบ้างมีฉลาดบ้าง ไม่ฉลาดบ้างมีรูปร่างหน้าตาสวยงามบ้างไม่สวยงามบ้างมีอายุยืนยาวนานไม่ยืนยาวนานบ้างมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียดบ้างไม่มีบ้างมีอาการครบ32สบองบ้างไม่ครบ32สบองบ้างเหล่านี้เป็นผลของบุญและบาป ท, ที่ได้ทำมา ในอดีตนั่นเองดังนั้นถ้าพวกเราอยากจะได้ผลดี mm. ก็ขอให้เราทำแต่บุญอย่าทำบาปแล้วผลที่ดีต่างๆก็จะตามมาต่อไปถ้าเราทำบาปถึงแม้เราจะไม่เชื่อว่าตายไปแล้วจะต้องไปรับผลบาปเมื่อถึงเวลา มันก็จะต้องส่งผลให้กับเราชีวิตของพวกเราจึงมีความแตกต่างกันเนื่องจากได้ทาบุญได้ทำบาปมาไม่เท่ากันนั่นเองบางท่านทาบุญมามากไม่ทำบาปเลยก็ได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้บรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกได้เป็นพระอาาริยเจ้าขั้นต่างๆบางท่านทาบุญมาน้อย ทำบาปมามากก็ต้องเป็นอาชญากรรมต้องเป็นอาชญากรหรือเป็นผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอายุสั้นอาการไม่ครบ32สองนี่เป็นผลที่เกิดจากการทําบาปมาในอดีตนอกจากที่มาลับผลของบาป ในขณะที่มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเวลาตายไปถ้ายังไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องไปรับผลของบุญและบาป ก, ก่อนถ้าทำบุญถ้าเป็ น, น, นเป็นวาระของบุญที่จะส่งผลก็จะไปเกิดในสุคติเป็นเทพชั้นต่างๆเป็นพรมชั้นต่างๆหรือเป็นพระอริยเจ้าชั้นต่างๆ แต่ถ้าทำบาปเป็นวาระของบาปที่จะต้องส่งผลก็จะไปเกิดในอบายไปเกิดเป็นเปรตบ้างเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นสัตว์นรกบ้างขึ้นอยู่กับเหตุผลของการกระทำบาปถ้าทำบาปเพราะไม่รู้ว่ามีผลตามมาก็จะไปเกิดเป็นเดรัจฉาน พาอเดรัชานี้เขาต้องหากินด้วยการฆ่าผู้อื่นด้วยการทำบาปแต่เขาทำโดยที่เขาไม่รู้เขาทำเพื่อที่จะรักษาชีวิตร่างกายของเขามนุษย์ก็เช่นเดียวกันถ้าชาตินี้ทำบาปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือรักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีโดยที่ไม่รู้ว่าตายไปแล้ว จะต้องมีผลตามมาตายไปก็จะต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานถ้าทำบาปเพราะความโลภอยากได้มากๆอยากร่ำอยากรวยทําไปแล้วท่านว่าตายไปจะต้องไปเกิดเป็นเปรตจะมีแต่ความหิวความอยากอยู่ตลอดเวลา ได้มากได้น้อยก็จะไม่รู้จักคำว่าอิ่งไม่รู้จักคำว่าพอส่วนถ้าทำบาปด้วยความโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทตายไปก็ต้องไปตกนรกนี่คืออนิสงหรือผลของการทำบาปชนิดต่างๆกันส่วนถ้าทำบุญแล้วไม่ทำบาปก็ได้ไปเกิดเป็นเทพ ถ้าอยากจะขึ้นสวรรค์ชั้นพรหมก็ต้องนั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบให้เป็นฌานแล้วถ้าอยากได้เป็นพระอริยเจ้าขั้นต่างๆก็ต้องเจริญปัญญาเจริญวิปัสสนาพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เห็นว่าสภาวะธรรมทั้งหลายมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ แล้วดับไปเป็นธรรมดาไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนไม่ควรยึดติดควรปล่อยวางถ้าปล่อยวางได้จิตก็จะได้บรรลุเป็นพระอริยเจ้าขั้นต่างๆจนถึงขั้นสูงสุดคือขั้นพระอรหันต์ก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปมีพระอรหันต์เท่านั้น ที่จะไม่กลับมาเกิดถ้าเป็นพระอริยเจ้าขั้นต่ำกว่าก็ยังต้องกลับมาเกิดเช่นเป็นพระโสดาบันก็ยังต้องกลับมาเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติหลังจากนั้นก็จะสามารถบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้ถ้าขั้นที่สองขั้นพระสกิฎาคามีก็จะต้องกลับมาเกิดอีกหนึ่งชาติด้วยกันถึงจะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้ ถ้าเป็นพระอนาคามีก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ต้องไปเกิดเป็นพรหมแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ในสวรรค์ชั้นพรหมตันตต่อไปนี่คือเรื่องของผลของบุญและบาปที่พวกเราทำกันอยู่ตลอดเวลาบางเวลาถ้าเราเผลอ ไม่มีสติแล้วก็เกิดอารมณ์โลภโกรธหลงขึ้นมาเราก็มักจะไปทำบาป ก, กันเวลาที่เรามีสติเช่นวันนี้เรามีสติเราลึกถึงการทำบุญเราลึกถึงการมาวัดเราก็ได้ทำบุญกันดังนั้นถ้าเราอยากจะทำบุญอยู่เรื่อย เราก็ต้องหมั่นเจริญสติอยู่เรื่อยๆคือให้มีสติรู้ว่าตอนนี้เรากำลังคิดอะไรอยู่เรากำลังคิดดีหรือคิดไม่ดีถ้าเราคิดไม่ดีถ้าเรารู้เราจะได้หยุดคิดได้วิธีหยุดก็แบบบอกตัวเองว่าอย่าคิดเรื่องการกระทำบาป เรื่องการคิดไม่ดีเพราะจะทำให้เราต้องไปพูดไม่ดีทำไม่ดีแล้วก็จะทำให้เกิดความเสียหายตามมาถ้าเราไม่สามารถหยุดความคิดของเราได้ท่านสอนให้เราใช้อุบายของการสวดมนต์ไปคือให้สวดมนต์บทใดก็ได้ที่เราจำได้ไปภายในใจสวดอิติปิโสสักห้าสิบจบก็ได้ สวดไปเรื่อยแล้วเดี๋ยวความคิดไม่ดีก็จะหายไปเช่นเวลาที่เราโกรธแล้วเราอยากจะทำร้ายผู้อื่นอยากจะด่าผู้อื่นถ้าเรามีสติเราก็รีบหยุดอารมณ์นี้ด้วยการสวดมนต์ไปภายในใจหรือด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยอย่าส่งใจของเราให้ไปคิดถึง เรื่องที่ทำให้เราโกรธ ถ, ถ้าเราอยู่กับบทสวดมนต์หรืออยู่กับการบริกรรมพุทโธไปไม่นานอารมณ์โกรธก็จะหายไปความคิดไม่ดีก็จะหายไปใจของเราก็จะกลับมาเป็นปกติเราก็จะสามารถป้องกันไม่ให้ใจของเราไปทาบาปไม่ให้ตกไปในอบายได้ให้คิดแต่สิ่งที่ดี เช่นเวลากโกรธใครแทนที่จะคิดอาฆาตพยาบาทท่านก็สอนให้แผ่เมตตาด้วยการให้อภัยไม่ถือโทษกโกรธเคืองไม่จองเวรจองกรรมเพราะการโกรธแทนโกรธเคืองนี้เป็นการสร้างไฟนรกขึ้นมาในใจเวลาเกิดความโกรธแล้วใจจะรุ่มร้อนจะอยากระบายด้วยการทำร้ายผู้อื่น แต่การระบายแบบนี้ไม่ได้เป็นประโยชน์แต่เป็นโทษกับจิตใจเพราะจะทำให้จิตใจตกต่ำให้จิตใจต้องกลายเป็นนะสัตว์นรกไปแต่ถ้าเราสามารถแผ่เมตตาให้อภัยได้ไม่จองเวรจองกรรมได้ใจของเราก็จะสงบเย็นสบาย เป็นสวรรค์ขึ้นมาเป็นเทพขึ้นมาอยู่ที่การมีสติคอยเฝ้าดูใจดูความคิดของเราอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยถ้าเราสามารถมีสติดูแลใจของเราได้เราก็จะสามารถควบคุมใจของเราให้อยู่ในทํานองครองธรรมได้เหมือนกับเวลาที่เราขับรถยนต์ ถ้าเรามีสติคอยควบคุมการขับรถของเรารถก็จะวิ่งไปได้อย่างปลอดภัยไม่แหกโค้งไม่ไปประสบอุบัติเหตุเพราะมีสติคอยควบคุมการขับรถถ้าไม่มีสติเช่นเวลาเสพสุรายาเมาแล้วไปขับรถตอนนั้นก็จะมีโอกาสที่จะประสบกับอุบัติเหตุได้ เพราะใจไม่มีสติคอยเฝ้าดูให้ขับรถอย่างไม่ประมาทอย่างปลอดภัยนั่นเองหรือถ้าไม่ได้ดื่มสุรายาเมาแต่จิตใจมีความว่ามุ่นขุ่น ม, มัวคิดถึงเรื่องต่างๆไม่มีสติอยู่กับการขับรถก็จะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นเดียวกันดังนั้นสติจึงเป็นธรรมที่สำคัญอย่างยิ่ง พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าสตินี้จำเป็นในทุกกรณีไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามจะพูดอะไรก็ตามจะคิดอะไรก็ตามจะต้องมีสติคอยเฝ้าดูอยู่เสมอเพื่อที่จะได้ป้องกันไม่ให้ไปคิดบาปพูดบาปทำบาปเพื่อที่จะส่งเสริมให้แต่คิดบุญ พูดบุญและทำบุญสปีนี้ทรงเปรียบเทียมเหมือนกับรอยเทาา้าช้างเป็นรอยเท้าของสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดสามารถครอบรอยเท้าของสัตว์อื่นๆทั้งหลายได้หมดไม่ว่าจะเป็นเสือเป็นสิงห์เป็นกระทิงเป็นราชกะตายก็ยังไม่มีรอยเท้าใหญ่เท่ากับรอยเท้าช้างทำทั้งหลายก็เช่นเดียวกัน ถึงแม้ว่าจะมีความสำคัญมีความยิ่งใหญ่ตกว่าสติแต่ถ้าไม่มีสติก็ไม่สามารถที่จะเกิดได้เช่นสมาธิถ้าไม่มีสติควบคุมใจให้อยู่นิ่งๆไม่ให้ลอยไปลอยมาไม่ให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะไม่เกิดเป็นสมาธิขึ้นมาได้ ปัญญาก็เช่นเดียวกันถ้าไม่มีสติคอยดึงให้ไปคิดในทางปัญญาในทางเหตุทางผลก็จะไม่สามารถคิดในทางปัญญาได้เพราะใจของเรานี้มีอารมณ์ที่จะให้คิดไปในทางโลกทางโกรธทางหลงแทนที่จะคิดด้วยเหตุด้วยผลก็จะคิดไปตามความโลก ถ้าชอบอะไรก็ว่าดีถ้าไม่ชอบอะไรก็ว่าไม่ดีทั้งๆที่สิ่งที่ชอบนี้อาจจะเป็นโทษป็นอันตรายต่อชีวิตของเราก็ได้เช่นชอบดื่มสุรายาเมาชอบเล่นการพนันชอบยาเสพติดสิ่งเหล่านี้เป็นโทษเป็นอันตรายต่อชีวิตแต่ถ้ามีอารมณ์ชอบขึ้นมา ก็จะมองไม่เห็นว่าเป็นโทษเป็นพิษเป็นภัยกลับจะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะทำให้ตนเองมีความสุขแต่ไม่รู้ว่าเป็นความสุขตอนต้นแล้วก็จะมีความทุกข์ทรมานตอนปลายตามมาดังที่เราเห็นกันคนที่ติดยาเสพติดติดสุรายาเมาติดการเล่นการพนัน ชีวิตมักจะไม่รุ่งเรืองชีวิตมักจะตกต่ำและจะเสียชีวิตไปก่อนเวลาอันสมควรนี่ก็เป็นเพราะว่าไม่มีสติคอยควบคุมใจให้สงบให้นิ่งนั่นเองปล่อยให้อารมณ์โลภโกรธหลงฉุดลากพาไปจึงทำให้ทำในสิ่งที่เกิดโทษกับตนเองเช่นเวลาโกรธ อยากจะทำร้ายผู้อื่นก็คิดว่าดีจะทำร้ายให้ได้แต่ถ้ามีสติคอยควบคุมใจให้ตั้งอยู่ในความสงบบางเวลาถ้าเกิดอารมณ์โกรธขึ้นมาก็จะระ ง, งับได้ด้วยสติแล้วก็จะสามารถใช้ปัญญาสอนนักตนได้ว่าการกระทำบาปการทำร้ายผู้อื่นนี้ ไม่ได้เป็นประโยชน์กับตนเองหรือผู้อื่นเลยแต่กลับเป็นโทษกับตนเองจะทำให้ต้องไปรับโทษนับกรรมต่อไปในปัจจุบันก็ต้องไปติดคุกติดตารางหรือถูกถูกทำร้ายทำละทร้ายทำร้ำายชีวิตตายไปก็ต้องไปใช้กรรมในอาบายต่อไปแต่ถ้ามีสติเราก็จะสามารถยับยั้ง ความคิดความโกรธที่ไม่ดีนี้ได้แล้วเราก็ไม่ต้องทําอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาไม่มีอะไรเสียหายคนที่เขาทําให้เราโกรธเขาก็ปลอดภัยเราก็ปลอดภัยเพราะเราไม่ไปสร้างเวรถ้าเราไปทําร้ายเขาเขาก็ต้องโกรธเราแล้วเขาก็จะกลับมาทําร้ายเราอีกพระพุทธเจ้าจึงทรงตัดไว้ว่า เวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรเท่านั้นนี่คือการดูแลจิตใจวาจาร่กายคือการกระทาของเราทั้งสมส่วนนี้ให้อยู่ในธรรมนองครองธรรมให้ผลิตแต่ผลที่ดีให้กับเราให้เราตายไปแล้วได้ไปสู่สุคติ ดังที่เราปรารถนาดังที่ผู้ที่เขามีชีวิตอยู่ขอให้เราไปกันเวลาคนตายเรานักจะพูดว่าขอให้ไปสู่สุคติเถิดแต่าการขอแบบนี้ไม่สามารถส่งให้ผู้ตายไปสู่สุคติได้ผู้ตายนี้จะต้องสร้างเหตุในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่คือต้องทำบุญไม่ทำบา ต้องมีสติคอยควบคุมจิตใจให้ตั้งอยู่ในความสงบให้ตั้งอยู่ในความปกติไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเวลาตายไปจะถึงจะได้ไปสู่สุคติเวลาตายไปคนที่เขาอยู่ทำบุญส่งไปให้นี้บุญที่ทำนี้ไม่มีกำลังพอที่จะส่งไปได้ พาเป็นเสี่ยวหนึ่งของบุญเท่านั้นที่ส่งไปให้กับผู้ตายได้ไม่สามารถส่งไปให้ได้ทั้งหมดเนื่องจากผู้ตายไปถ้าจิตยอยู่ในฐานะของผู้ที่รับบุญอุทิศนี้ mm. ก็จะไม่มีภาชนะใหญ่พอที่จะรับได้เป็นเหมือนคนที่เดินทางไม่สามารถที่จะแบกของไปได้มาก ใบได้ก็แค่กระเป๋าใบเดียวเท่านั้นเองตางกับคนที่ได้ทำบุญในขณะที่มีชีวิตอยู่ทำบุญอย่างต่อเนื่องเวลาตายไปนี้ขนไปทั้งรถกระบะเลยได้เพราะว่ามีฐานะมีกำลังที่จะขนไปนั่นเองดังนั้นเราต้องไม่ประมาทในเรื่องของการทำบุญการไม่ทำบาปอย่ารออย่าไปคิดว่า ไว้รอให้ใกล้ตายให้เวลาแก่แล้วค่อยทาเพราะบางครั้งอาจจะไม่ทันแก่ก็อาจจะตายไปก่อนก็ได้ก็จะไม่มีโอกาสได้ทําบุญตายไปก็จะไม่ได้ไปสู่สุคติดังที่ปรารถนาไว้ดังนั้นเราจึงควรทําบุญอยู่อย่างสม่ำเสมอทุกเวลานาทีทุกเวลาที่เรามีโอกาสมีเวลาว่าง อย่างเช่นในวันนี้เรามีเวลาว่างเราก็มาทาบุญกันมารักษาศีลกันมาเจริญสติมานั่งสมาธิมาปฏิบัติธรรมฟังเทศฟังธรรมกันทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วต่อไปก็จะติดเป็นนิสัยจะทําได้อย่างง่ายดายไม่ต้องควบคุมบังคับไม่ต้องรอให้เป็นวันสำคัญถึงค่อยมาทา พอใจอยากจะทำทำแล้วเห็นผลในปัจจุบันนี้เลยเคิเห็นว่าจิตใจมีความสงบล่มเย็นเป็นสุขไม่ว้าวุ่นขุ่นนัวไม่เดือดร้อนไม่วิตกกังวลนี่เป็นผลที่เราสามารถรับได้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ไม่ต้องรอให้ไปถึงเวลาที่ตายไปตายไปแล้วเราก็จะได้รับอีก เพราะว่าใจของเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายนี้เองใจของเราก็ไปเกิดใหม่ถ้าไม่ได้ไปสวรรค์ก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เลยได้กลับมาเป็นมนุษย์ที่ดีกว่าเดิมฉลาดกว่าเดิมร่ำรวยกว่าเดิมมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามกว่าเดิมในทางตรงกันข้ามถ้าทำบาปแล้วตายไปก็ต้องไปใช้บาปในอบายก่อน ก่อนที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะอยู่ในสภาพที่เล็วกว่าเดิมรูปร่างหน้าตาเล็วกว่าเดิมฐานะการเงินการทองเร็วกว่าเดิมปติปัญญาเล็วกว่าเดิมเพราะเป็นอนิสงส์ที่เกิดจากการทำบาปมาในอดีตนั่นเองพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จึงสอนเหมือนกันหมดคือสอนให้สัตว์โลกทั้งหลาย ทำแต่บุญไม่ให้ทำบาปแล้วก็ให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ถ้าไม่อยากจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปตราบใดที่ใจยังมีกิเลสความโลภความโกรธความหลงอยู่กิเลสนี้จะเป็นเหตุเป็นตัวฉุดลากให้ไปเกิดใหม่ทําเบื่อกับการเกิดแก่เจ็บตายก็ต้อง ชำระใจให้สะอาดบยสุดถึงจะไม่กลับมาเกิดได้ยังต้องกลับมาเกิดก็ขอให้ทำบุญมากๆอย่าทำบาปจะได้กลับมาเกิดมีความสุขมากกว่าความทุกข์และมีบุญที่จะสนับสนุนให้ช่วยชำระใจให้สะอาดให้มากขึ้นไปตามลำดับ จนชำระได้สะอาดในที่สุดดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมาทุกภพกทุกชาติที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์พระองค์ทรงพยายามสร้างบุญสร้างกุศลอยู่เสมอพยายามละบาปอยู่เสมอจนในที่สุดก็ได้ตัดสรู้เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทำได้ชําระพระไถยของพระองค์ให้สะอาดบริสุทธิ์ จึงไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่พวกเราทั้งหลายสามารถทำกันได้เพราะพระพุทธเจ้ากับพวกเรานี้ก็เป็นมนุษย์เหมือนกันมีร่างกายมีจิตใจเหมือนกันต่ากันตรงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญบุญกุศลมาเป็นเวลาอันยาวนานพวกเรายังไม่ได้บาเพ็ญเท่าพระพุทธเจ้า พวกเรายังยังไม่สามารถที่จะชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ได้แต่ถ้าพวกเราพยายามทำต่อไปอย่างไม่ท้อถอยอย่างไม่หยุดหย่อนไม่นานสักวันหนึ่งดีไม่ดีภายในชาตินี้เราก็อาจจะสามารถชำระใจให้สะอาดของเราให้บริสุทธิ์ได้เหมือนกับพระอาหารหันตสาลุกทั้งหลาย ท่านก็สามารถชำระใจของท่านให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ภายในชาตินี้เลยด้วยการปฏิบัติสุปฏิปันโนอุชุยายะสามีจิปฏิปันโนคือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นเองหน้าที่ของพวกเราจึงอยู่ตรงนี้อยู่ที่การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตามพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้าอย่างขมักขมัน อย่างเต็นที่แล้วรับรองได้ว่าผลอันประเสริฐจะต้องเป็นของเราได้อย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของความเชื่อในกฎแห่งกรรมเชื่อในการทำความดีเชื่อในการไม่ทำบาปเชื่อในการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ให้ท่านได้นำเอาไปพิพจิตรณาและปฏิบัติ เพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและบุคคลศนที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแค็งแกร่ลปลอดภัย